เราเอาดินภายนอกมาพอกพูนดินภายในของเราคือข้าวปลาอาหารเราเอาน้ำมาเพิ่มน้ำในกายของเราคือน้ำที่เราดื่มเราเอาลมข้างนอกมาช่วยลมภายในของเราคือลมหายใจและที่เนี้ยเราเอาไฟข้างนอกคือแสงอาทิตย์เข้ามาสนับสนุนมาส่งเสริมไฟภายในกายของเราให้ลุกโพล่ขึ้น